อ๋อมีไหมใครมีอะไรไหมใครนะใครมีถามอะไรไหมซึ่งชั่วโมงเรานั่งภาวนาไปซึ่งชั่วโมงจะถึงไงแ้วใคภาวนาเป็นยังไงรายงานสำคัญด้านหน่อย ใช่คิดอ้วว่าเราอยากจะไม่ได้มีเสียงอย่างที่เราอยากจะได้มีก็พยายามจะแบบว่าวันนี้พี่ยันจะไม่กำหนดเลยแ่วาม่คพยายามจะไม่คิดถึงเรื่องวกั้นเรไม่ปวดนะแต่ว่าเราไม่ยาะมีแ้มันเราก็แบบว่ากรรถไฟจะดูแลเรืการรไเนยมันเป็นแบบมันเป็นเหมือนกับเป็นการกำหนดแอัตโนมัต แต่มันวิ่งก่อมันปวดมันปวดแล้วไเราไม่ทันมันถ้าเราทันมันเนี่ยความอยากว่าไม่ได้ยินมันก็เกิดไม่ได้ด้วยเหตุที่เราไม่ทันมันมันวิ่งออกก่อนหน้าเรามันขัดมันขัดความรู้สึก มันขัดความต้องการมันแสดงความผิดหวังเราต้องการสงบแต่มันชวนให้มีแวดล้อมที่ไม่สงบทำให้เราผิดหวังลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะดึงความทุกข์มาให้เราทำให้เราอึดอัดรำคาญเราต้องเจาะไปทีละอย่างทีละอย่าง จะไปให้ทันความยากเจาะไปให้ทันความอึดอัดสมมุติว่าเราตามมันไม่ทันเราจับย้อนหลังเราจับย้อนหลังทุกอย่างที่มันมาปรากฏที่ใจมันเป็นอาการของอารมณ์อาการของอารมณ์แต่ละอย่างใจเป็นผู้รับรู้ใจเป็นผู้รับทราบ ถ้าใจเรารับทราบและใจเราทันอารมณ์เหล่านั้นมันก็หยุดอารมณ์ที่เป็นใหญ่คืออารมณ์ที่ใจใจจะต้องแสดงความชัดเจนให้เป็นตัวของตัวไม่งั้นอารมณ์เหล่านั้นมันก็จะพลิกไปรเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรืเเร่อยเปลี่ยนเรื่อย่าตามน น, ามน่นตามโน่นตามโู่นตามโน่นตามโน่นไปไม่จบถ้าเราตามไปไม่จบรักยาย้อนวิธีการที่อยากทาให้เรา ทำแล้วไม่หลงง่ายง่ายก็คือกาหนดไปที่อาการเหล่านั้นด้วยเจ่อมาที่ผู้รู้ของเราด้วยมันย้อนมาได้ย้อนจากผู้รู้ไปย้อนไปดูสิ่งเหล่านั้นด้วยอาการเหล่านั้นด้วยย้อนจากอาการเหานั้นมาดูใจของเราด้วยมันย้อนได้กิริยาที่ขยับไปขยับมาเนี่ททำให้เราเกิดข้อเปรียบเทียบทำให้เราเห็นข้อแตกต่าง สิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นเหตุเกิดประกายแห่งปัญญามันเป็นมันเป็นวิธีการจุดประกายของปัญญาปัญญาให้เกิดขึ้นแต่ถ้าหากเราปล่อยให้ความอยากมาแทรกเข้ามาแต่เราไม่รู้นะเราไม่ไม่รู้ว่าเป็นมายาของปัญหาของความอยากเนี่ยเราก็จับมันซะคาว่าจับมันนัคือมันนาหน้าเราแล้วแหละเทนที่เราจะเอาทำนําหน้ากลายเป็นสิ่งเหล่านั้นมันนําหน้าเราแล้วแหละในเมืม่อกิเลสนําหน้าแล้ ว, ลวมันขัดข้องไปหมดแหละ อ, อารมณ์ที่ไม่ศบอารมณ์ที่เรียกว่าไม่สพอารมณนะ์เนยเมื่อเราให้มันนำหน้าเนะี่ยอย่างอื่มันก็ขัดข้องไปหมดแหละมันเห็นโทษไปหมดแหละอันนั้นก็โทษอันนั้นก็โทษอันนั้นก็โทษแต่เห็นโทษคนอื่นโทษตัวเองไม่เห็นไอ้ที่ตัวเองไปคว้าโทษนะเราไม่เห็นนี่เราเนี่ยเนี่ยมุมแค่นี้เนี่ยมุมที่เราเอาตัวรอดได้กับแต่เอาตัวรอดไม่ได้เนี่ยมุมเป็นความฉลาด แง่มุมในการทันและไม่ทันมันอยู่ตรงนี้มันเป็นจุดประกายเล็กๆตรงนี้นิดเดียวอะย้มตามรู้ให้ทันสติท่านต้องติดกันพื้นไปเลยสติสติสติความรู้ลึกรู้สึกตัวขณะมันขยับมันขยับท่านขยับปั๊บทันขยับปั๊บทันขยับปั๊บทันขยับปั๊บทันขยับปั๊บทานขยับปันขยับมันเียบไม่ได้มันอยู่เก้งนึ่ง อะไรรู้ตามได้ทั้งหมดเลยเราสงบระงับให้มันอยู่แค่นี้ขนาดนี้ถือว่าเราเฉลอได้เราหยุดได้แค่นี้เราก็เห็นอารมณ์ที่ละเอียดในใจของเราก่อนที่เราจะเห็นรีอาการที่แปลกประหลาดณจอะไรอย่างอื่นการสงบระงับดับตัณหาได้ยุมย่มๆยิมย้มๆเล็กๆน้อยๆ น, นี่ถือว่าเป็นการสังสมมันเข้ากับหลักสังวรประทานสังวรประทาน แท่จริงถ้าเราจะพูดถึงหลักแท้ๆมันก็แค่สังวรประทานเองแต่นี่เป็นการสังวรที่ถูกเพราะที่ถูกต้องที่ถูกต้องที่ตรงสังวรก็คือสัมรวมก็คือระวังเอาจิตมาสัมรวมเอาจิตมาระวังหากพฤติกรรมหรือกิริยามันจะพร้อมอยู่ในใจของเรานี่ยแหละเราตั้งใจสั ง, สงวรปั๊บอา ก, กัศร น, น, นั้นมันก็เกิดไม่ได้อ ก, กัศรใหม่ไม่เกิด ในขณะเดียวกันกุศลที่มีอากุศลที่มีอยู่เราก็พยายามดูพยายามละพยายามดูพยายามละเหมือนก็บเ้าเหมือนก็ว่าเราพยายามบุดมาให้น้ําใหม่เท่าน้ําเก่าที่ยังมีเหลือเราก็วิทออกวิทออกวิทออ ก, ออกประใจของเราถ้าเราจะเทียบมันไม่ต่างอะไรกับเรือรั่วเรานั่งเรือข้ามฟ้าเรือรั่วแสดงว่ามันต้องมีรูทะลุรูทะลุคือรูที่เราขาดสติขาดสัมผัจัญญานี่แหละท่านยิ่งให้ตั้งสติ ขึ้นมาเหมือน่อเราขุดรูรัร่วที่สําคัญที่สุดอารมณ์ที่เด่นชัดในใจของเราเนี่ยมันจะชัดเจนร้อยเปอร์เซนตได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์เราจะเห็นว่าวิธีการที่พุทธเจ้าท่านชาญฉลาดมากท่านให้เอาอารมณ์นี้แหละมาทำการให้ใจของเราอยู่ยตลอดให้เป็นอารมณ์ธรรมไม่ให้เป็นอารมณ์กิ เ, เกลสมันเปี่ยนจะอารมณ์ธรรมไปปั๊บมันจะไปเป็นอารมณ์กิเลสให้เป็นอารมณ์ธรรมให้ชัดรู เพราะฉะนันท่านยให้กำนดจอดตลอดพุทธทูพุทธแล้วก็ประคองให้มันเต็มให้มันให้มันพร่องแหละจากทูพยาาพุทธจากพุทไปหายทูประคองความรู้สึกของตัวเองประคองอารมณ์ที่เป็นให้เป็นอารมณ์อธิปดีอารมณ์ที่เป็นใหญ่ในเมื่ออารมณ์ใหญ่มันเด่นโผล่ขึ้นมาอารมณ์เล็กมันก็ทับถมไม่ได้ อย่าลืมว่าอารมณ์ใหม่ที่มันจะพึงเกิดขึ้นจนอารมณ์เก่าหายไปนั่นอารมณ์นั้นจะต้องใหญ่กว่าอารมณ์ภายในใจของเรามันทับทับทับทับทับเราดูไปให้ดีนะพอนนี้หายไปอันนั้นทับเข้ามาพอเผลอสัหน่อยหนึ่งอันนี้หายไปอันนั้นทับเข้ามาไอ้ที่มันจะพึงทับเข้ามาขอให้เป็นอารมณ์ที่เป็นธรรมแต่มันจะเป็นได้ต่อเมื่อเราตั้งเจตจำนงตั้งเจตนาเต็มร้อยเพราะให้มันเปลนขึ้นเอง จนกว่ามันจะคล่องแคล่วมันจะ ช, ชำวิจารมันถึงจะเป็นเองแต่บะไรที่ยังไม่เปลี่ยนเองเราต้องดึงเราต้องฉุดเราต้องรากเราต้องทําแบบฝึกซ้อมแบบฝึกหัดนี่แหละเหมือนกับงานงานการทุกอย่างทุกเรื่องมันจะ ช, ชำวิจานาญตกผลึกสร้างแบบรูปได้ตอนเมื่อเราทําแบบฝึกซ้อมเแบบ็ดเสร็จสมบูรณ์เต็มสมบูรณ์สิ่งเหล่านั้นถึงจะสมบูรณ์แบบขึ้นมาได้สิ่งเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันเราทําจนสามารถ คุณธรรมทั้งหลายสําเร็จรูปตกผลึกมาอะสะสมไปเรื่อยไเรื่ อ, อยจนเป็นธรรมทั้งแท่งอุบายจารย์อดมาเหลือแต่ธรรมทั้งแท่งเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวท่านใช้คําว่าเป็นธรรมทั้งแท่งคาว่าธรรมทั้งแท่งก็คือธรรมชาติล้วนๆไม่มีมายาอะไรเข้าไปเคลือบแฝงเป็นเป้าประสงค์ที่เราพึงเจริญไปทําไปดูไปสังเกตสังกาไประยะการเดินทางของเรา ของพระตาสงสารนี่มันยามานานไกลเท่าไหร่เราทราบไม่ได้เราจะมาขยับหนีให้หลุดพ้นภายในเก้าสองเก้านี่มันมันมันมันต้องขยับไปให้ถึงขยับไปให้ถึงที่ให้เหตุสมบูรณ์ซะก่อนผลถึงจะสมบูรณ์ได้แต่เราสร้างเหตุได้แค่ไหนผลก็จะไปตามนั้นแต่ถ้าเราหยุดหยุดเฉยเฉยเหตุไม่เกิดผลไม่ปรากฏนอกจะผลดีๆผลดีไม่ปรากฏแล้วมันจะมีผลไม่ดีปรากฏ มันจะอยู่เท่าเดิมไม่ได้ภาวะบวัโลกใบนี้ไม่มีภาวะใดที่อยู่เท่าเดิมท่านจึงว่าสังขารสังขารมันไม่มีสังขารใดๆทั้งสิ้นที่อยู่เท่าเดิมมันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากดีไปเป็นชั่วเปลี่ยนจากชั่วไปเปลี่ยนดีเปลี่ยนจากเจริญไปเป็นเสื่อมเปลี่ยนจากเสื่อมไปเป็นเจริญมันก็ขยับกันอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรคง ท, ที่ท่านยึงให้เราอยู่ในข้อปฏิบัติทุกระยะทุกเวลาสแสดงถึงความไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจ อ่าเท่านี้พอนี่เข้ามาสีครอบครับ